เรื่องสติก็จะได้เจ้าเ่องเทสนาทั้งเรื่องสติประธานนี่เราเป็นประธานของธรรมทั้งปวงสติประธานจะที่ตั้งของธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่ยว่าสติประธานตั้งใจพิจรารณาเฉพาะกายเฉพาะ เวทนาจะก็คิดจะก็รรทำสี่อย่างตัว น, นี้แหละอ่าก็ว่าสี่อย่างเป็นอากาล ร, รวมเขาก็สติตัวนั้นน่ะเป็นของทั้คันสตินี้ใช้ได้ทั่วไปหมดแต่หยาบถึงละเอียดถึงที่สุด ก็สติตัวเดียวเนทะ่าพุทธาสนาที่พระองค์เจ้าเทศนาอยู่ 4.5 ปี 4.5 ปีรวมแล้วก็มาลงสติตัวเดียวเพนะื่อมาเท่น์ตามปมา่าเดัชท่านทั้งหลายถ้ยังเข้าใจความายในถิ่นพร้อมเถิดแล้วก็ิดพระโอษฐ ไม่ต้องพูดต่อไปเรื่องพระกรรมฐานทั้งหลายอบรมกรรมฐานคณาจารย์ต่างๆที่อบรมวนแล้วแต่ลงสติตัวเดียวแต่หากเคยจะมีชำนาญทั้งไหนก็อธิบายไป ตามเรื่องของต น, นอย่างขอหัดยุดหนอต้องหนอก่อสติให้อยู่ที่ยุดที่พองคือเกิดดักให้อยู่ในที่อื่นให้ตั้งสติอยู่ในตรงนั้นสมาหลังก็ตั้งสติตัวเดียวนะั้นอย่างพุทโธ หรือนาปาสติก็ตั้งสติให้อยู่ที่เดียวนั้นลวมขวมว่าสติจะมีใช่ได้หมดเลยไม่ใช่นลยสุด้แม่แต่ที่สุดเขาใช้เป็นเนด็กเล็กเป็นดาอยิปเป็คยังรู้เข่น เขาก็เอาสติตอนนั้นตั้งไว้ที่รูกันเนะ น, นี่ยคันท้าสตีในตั้งไว้ไม่ไมถูกพลาดไปเลยทีเดียวสติตัวนี้นยิงสําคัญยิงตื่นเขาก็เอาสติตอนนี้แหละตั้งเฉขาะจุดต้องศูนย์เลี้ยงศูนในเป้าหมาย แต่ฟานนี้เยังไม่ถูกอยู่เันยังพลาดจาในใดไตลวดเดินผ่านไม่ัำเดียวกสิทิ้วเนี่ยกดกึงทุกสิ่งทุกส่วนม่กายังเขากสิิกำหนดให้มั่นคงจริงจากเดินตลอด ม่เยไปลวดหลยแต่หากสตินั้นมันออกไปภายนอกมันส่งไปภายนอกส่งไปกดจังเอ้จจิงอื่นไม่ได้กดจองที่จิตมันยังไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนม่ผ่าน มันยังเป็นไปไม่เป็นไปเกิบของพบนทุกข์จะถึงขนาดนั้นเขาได้ประโยชน์ก็โคกจุดมันจุดทองให้มากมายเป็นอาชีพของเขาครามนี้ถ้าหากแล้วแห้งพิจายนาจุดของเราแล้วครัจะไม่ดีกว่านันหรือจะไม่ได้ประโยชน์กว่านันหรือ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 คิดดีกคิดชั่วคิดตีคิดชั่วก็รู้ตัวอยู่คิดหยาบละเอียดก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ไม่คิดทั้อยู่เฉยเฉยก็รู้จักว่าจิตเฉยเฉยอยู่ตลอดเวลาการรู้จิตของตนเนี่ยมันเป็นผลให ได้ความสงบถ้าหากรู้เมื่อไรแล้วสงบเมื่อนั้นถ้าไม่รู้มันสง่งมันวู่มันวายไปต่างๆตามไม่ทันทันรู้แล้วตามทันเห็นมันมันอยู่ลงปัจจุบันเลย คิดนอะไรต่างๆหยุดถอนวัร้อันเดียวแน่วแน่อยู่อันเดียวรู้เท่ น, นี้ก็พอละไม่ต้องไปอยากรู้มากเหมือนผีปีสาจเห็นเทพพุทธเทอาอินทร์พรมอะไรต่างๆมันไม่มส่งส่งไหนม่ใส่ส่งนงอก คือมันนมันส่งย่างเราเห็นเนี่ยเห็นภายนอกนะตาเห็นลกมันก็ส่งอไปมันยังไปเห็นตาไม่ส่งเลยมันก็ไม่เห็นหฟังเสียงมันก็ส่งออกไปปหาวุ่จริงที่มันดังคเรือว่ามันส่งนอกสส่งในอะรท่าน ใจเป็นคนรู้ใจเป็นคนเห็นเกินดนี้มิตขึ้นมามันส่งไปตามคนรู้นะมันส่งไปตามคนเห็นคนคิดขเขาไม่คุ้แต่งอะไรทั้งหลายเราเ น, นี่ยมันส่งไปนะอันนี้เรียกว่าส่งในส่งในก็ส่ ง, น อ, งนอกอก็าไม่จิตอะไรไันึ่งออกจากจิตจากใจเดิม ใจเดินแท้นั้นมันไม่มีอะไรหรอกของเฉยๆของว่างๆอันนั้นใจเดินแท้นั้นไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญไม่คิดดีคิดชั่วเรียกว่าใจเดิมใจเดิมนี่แหละมันออกไปจากตัวเดิมเนี่อ ย, ย่งนี้ก็ออกไปจะเปล่งไปแต่ ไปคิตไปนึกโดยเรียกไว้จิตเจ้าคราว น, นี้จะไปตามไปคุปจิตตามไม่ทันสักทีคิดนึกสงสยัยไปมากมายอะไรก็เห็นแหละเห็นจิตตามรู้จิตคำที่อาจารานสอนกันว่า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 มันไม่มากไม่น้อยกว่าตัวมันมันก็อยู่ครงที่นั่นทีมันรู้เท่าก็ตามรู้มันผิดกันคนที่เข้าไปหาจิตเดิมแล้วมันอยู่ตรงที่มันไม่ไปไม่มานิ่งเฉย อ, อยู่อันนั้นเรียกว่ารูเท่าตัวสติตัว น, นั้นก่อนที่จะเข้าถึงนั้น ต้องมีสติตามรู้จิตสตจิตตวงนี้ยังใช้ได้ประโยชน์มากเมื่อรูจตต้จิตแล้วจิตมันไม่ไปมันก็เลยกลายเป็นเกิดกาย ร, รู้เท่ารู้เท่ามันก็เลยเข้าเข้าถึงตัวเดิมคือตัวใจอันนี้แหละให้รู้ใจเดิมตรงนั้น จะมีประโยชน์อะไรคังนี้รู้ใจเดิมนะมีประโยชน์ที่จะให้รู้จักว่าใจเดิมเป็นยังไงจิตจะเป็นอย่างไรนั่นแค่ก่อนรู้จักประโยชน์ตรงนั้นเดี๋ยวก่อนคิดนึกสงสัยสัสตว์พัดทางตวงมดัดมันตวงมันแจงเลยเพรนั้นมันจิต มันตัวใจเดิมแทมันไม่มีอะไรแ้วคขานี้ทั้งเกตดูเขาเมาื่อเข้าถึงไปเดิมกับไปถึงจิตกับจิตในที่ไปตามจิตนั้นอะไรไมันจะดีก็ากัจนจิตนมันตรงมันแต่งมันคิดมันนึกทรงทรายสภาพทุกอย่าง ให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้ร่ำไรร้องไห้ไม่ใช่ใจเดิมตัวจิตจะนั่งเปล่งตัวแต่งแตยึดไปถือตลอดทุกอย่างอ่ะมันตัวจิตตัวนั้นอ่ะมันไปเปร่งไปแต่งเป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าถึงใจเดิมไม่มีอะไรเฉยอยู่ น่เรียกให้รู้จักเพงแค่นั้นเท่านัท่ า, ขานขมาี่รู้เรื่องว่ะไปเดิมมันจะเป็นประโยชน์อะไรค่ะนมันรู้เวย อ, อย่าง น, นเป็นประโยชน์อะไรไม่มีไม่มีปัญญาคิดนึกอะไรไม่ได้ไม่เกิดปัญญา ขอให้เกิดไม่เกิดเอาไว้ไปก่อนฝึกฝนอบรมเจริันมตตาพลังเพียงพอเต็มที่ไปก่อนเวลามันออกอราไปหรอกเวลามันเกิดปัญญาออกไปต่างๆมันต้อเกิดเองมาหนึ่งอาก็มันไม่เกิดพอมันออกจากใจเดิม เมื่อเันมีพลังเต็มที่แล้วค้าวนี้มันเห็นอะไรได้ยินอะไรพระสบเหตุผลต่ตางเรื่องราวต่างเกิดความรู้สึกขึ้นมาแปลกประหลาดหน้าติดจันทสิ่งที่รู้แล้วจะไม่แต่ว่ามันไม่ไม่เหมือนกับดู รู้เหมนกนมันเคยรู้เคยได้ยในไดฟังเอาเหมืนกั น, กนแต่คาวนี้มันออกครานี้มันไม่เหมือนขา่าวมันจะเกิดความรู้ชัดแจ้งขึ้นมาด้วยปัญญาคัานี้มันจะเกิดปัญญาเห็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างตามเป็นจริง ตรงนั้นนั่นใครรู้เองหรอกต้อมีใครบอกให้ตรงนั้นน่ะมันจะเกิดบั้งออมันก็เกิดตรงนั้นน่ะมันจะลงออมันก็ตรงนั้นน่ะคุณประโยชน์ของเขาถึงใจเดิมมันจะเกิดขึ้นมาตรงนั้นน่ะออกจะกใเดิมแล้วมันจะไป็นลูกบังออมตรงนั้นนะคนเราอยากจะได้ความลูก ก็เข้าไว้ถึงความสงบไปถึงแต่เดิมแล้วเอ๊ะทำไมยังไม่รู้เนาะทำไมเป็นงี้เนาะก็เลยส่งส่ายหาเจตความรู้เ ม, มื่อความรู้ไม่เกิดก็เลยเอาสัญญาไปจำเอาจากตำลับตำรายจากคำพูด อะไรต่างๆมาคิดมานึก่าว่าเป็นนิพพานาจะแล้วขันไม่ใช่นิพพานามันนึกเอาเองนิพพานความรู้แจ้งเห็นจริงมันก็ลงบางอ้อหน่อยสิไม่ลงบางอ้อมันจะเป็นรู้จริงเห็นจริงยังไงได้ มันคือลงบังอ้อเนี่มันมันเป็นอุบายเป็นเงียบคายของแต่ละคนบอกเขาไม่ถูกบอกอุบายอุบายมันเป็นเรื่องเทศเรื่องอธิบายกันฟังได้มันไม่ลงบังอ้อมันเงียบขายนั้นเป็นของคลายของมัน้องจะขอส่วนตัวมันจึงลงบังอ้อ น่าจําให้่ลืมด้วยกล่องค ว, คว่องพิสดานมากเหตุนั้นจึงว่าอย่าได้ทะเยอทะยานดิ้นลน่นมันจะเป็นอนนอะไรประกอบให้เป็นปบุกตั้งตะกี้ั้งนดอยู่นั่นแหละรักษากรมุิจิตรน่ะ ทำมามากมายทีเดียวผู้ที่ทานทันมาแล้วทำมามากมายทีเดียวถ้าอย่นานั้นนงเคยพูดอยู่เสมอเสมอตอนนี้ท่านหกสิบห้าสิบหกสิบตันี้ีเจนาถึงเรื่องอาการสากที่สอง ทูดเั้งสติสกำนดพิจนาการสาธิสองมาได้ยี่ทิบสองปีแล้วยังไม่ทิ้งส่ถึงคงใหม่ท่านก็พูดให้ฟังต่อท่านยังต้องจุดจุดกลัวแล้ว าาพิจารณากายผมพิจารากายตั้งแต่ต้นมาจนตลอดสัปดาหใดที่มีภาระธุระการ ง, งานมากหมู่มา ก, ม ก, มากไม่เคยได้พิจะนากายไม่ชัดใน่จริงขาดนั้นเรียกว่าเสื่อมขนาดใดถ้าหาัก ในวิเวกพิยนากาทนีสํานานค่้องแควก็เจเริญลุกสิ์ลุกหาของผมที่มาอบลมมากมายถ้าหากใครมั่นในกายตาผู้พิยนากายสติจังมันอยู่ผู้จริญก็เจงอกงาม อาอ้างเถอะหลงๆเรื่องรดิมหรือว่าทำจริงอื่นหรือไปจัดนโยบายนี้ไม่เอาอันเดียวจเจริญไมรร่จิดมันจิจบะต่อกันหรือหากทิ้งไปคนนั่งรถไปไม่ชอท่านพูดอย่างนี้ทิ้งอย่างท่านว่า ปฏิปฐานตั้งมั่นเป็นที่แล้วพระพุทธเจ้ายิ้มข้สงสาว่อย่างเร็วเจ็ดวันอย่างช้าเจ็ดปีต้องได้สเดิเร็จมรรคผลนิพพานอย่างช้าก็อย่างน้อยก็ได้เพียงอนาคา มันจ ะ, ะเป็นท่ิเตืนาัญาไอย่างถ้าดีลงลองลองดูส่คะเนี่ยทั้งมันง่นลงทิ่เจริญนาจิตแตนเดียวเนี่ยอยู่ทุกขยาบุยืนเดินนังนอนได้ไหมวันหนึ่งได้ไหมเราไม่ได้ไม่ได้ก็เหลวสิ ตัว ม, มันมึงไดไหมไ้แต่เลวสิมันไม่ถึงเจ็ดวันนี่ถ้าถึงเจ็ดวันแล้วท่าหาเขาไม่ได้คุงค่อยบอกว่าไม่จริงพุกทีเจ้าเทศน์นาไ่จริงนี่ทําไม้ถึงเจ็ดวันนี่งั้นท่านว่าไว้อย่างเร็ยวย่างช้าปีหนึ่งสองปีไปตามลำดับ ตั้งสติกำหนดจิตเท่านั้นแหละเห็นอันนี่นสมทันทีเครื่องเดืดร้อนวุ่นวายเกิดปัญหายหมดความทุกข์ทั้งหลายไม่มีเกี่ยวของตั้งสติกำหนดคนจะตายก็บอกให้ตั้งสติคนทำทังพังก็เสือกสอนเราไม่มีสตินี่ คนที่ไม่มีสติแล้วต้องเป็นไปอย่างนั้นเถอะเเผ่อต้องตั้งเราเผื่อหลงเราลืมสตที่เขาใช้กันโดยมากทําการทํางานอะไรต่างๆมีสติอยู่รอบคอบยัเค่อยทำงานอะไรยังคยรู้เรื่องไปได้แล้วว่าสติภายนอกอีกเหมือนกัน ไม่ใช่จะติภายในทำอะไรทุกเก่งทุกอย่างต้องสติทท่านั้นเนี่ยสติมีอันนสงสงมากมายหลายประการเพื่อที่จะกัณนฑนานับเรื่องต้นเจริกรรมก็ตัวสติเริยกรรมพุโทโธพุโทโธถ้าหาเอาพุทโทนั้นอย่างเดียวไม่เป็นภาวนาไม่เป็น ตั้งสติกำหนดพุทโธนั้เป็นจุดหมายไม่ใช่เฉยๆเนี่ยไปกำหนดเุทโธนั้เป็นจุดหมายมานั่นทัติพยายามไปตั้งอยู่นั่นแต่คนจริงแล้วน่เอาตัวใจที่เป็ูพุทโธนั้อาสติไปกำหนดเอ ให้พ er en, ja, hey, okay. ุทโธพุทโธอยู่เลยไปคำาั้นเอาตัวใจนั่นในในก็เป็นตัวนั้นอีกไม่งค่อยเป็นพอน่า่งคยเป็นสมาธิเราจะมีควาทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายเอาเือเอาละถึงย้องให้ร้องโหยกเอาทุกอย่างที่พุทถึงร้องไห้เอาความร้องไห้นั่นเอาพติไปตั้งเอาจนร้องไห้น เอาไปสร้างตรงนั้นลอองเหมือนีมันสร้งมาอยู่มันยังร้องไห้แล้วทีไปสร้งตรงนั้นน่มันหายหมดแล้วยังเขาไปน้องก็ไปเอาตัวจีบนั่นอีกที่ร้องไห้นั่นอีกให้เป็นคนร้องไห้เขาปนคนทุกข์เดือดร้อนทุกคราววตรงั้นหายหมดแต่คนไม่เอาไปใช้ อยากจะร้องไห้กไปนอออกคนโดยตรงไปนอยมันสนุกสนานร้องไห้ก็สนุกไม่ใช่ไหมนสนุกเห็นเป็นของดีเลิศเปะนสุดที่สุดถ้าได้รนะ้องไห้อะไรต่างเนี่ยญากิพี่น้องพิดาบันดาบอดภรยาารยาสามีตายไปแนละ้ว ร้องไห้เลยนั่นเป็นการดีหาว่าอะไรอาวรคิดถึงกันเขินขอจ้างกันร้องไห้กันนี้แต่ก็โดยเจา้าท่าไม้ว่านั่นทานให้งับความทุกข์มนั้นด้วยสติ นางตะจิไปสมศรีจางไว้เห็นควาทุกข์อันนั้นเห็นความร้องไห้ลันนันนะนไม่หายไปทุกข์สติมีคุณานิสงอยา่างอธิบายมานี้เอาละตรงนี้